ก็ถามะแล้วอะไรเป็นตัวใครเรียกว่าตัวประสานให้มันพอดีเออคุณศรัทธากับคุณปัญญาคุณต้องทํางานให้มันพอดีกันนะเป็นผู้จัดการใหญ่ใครบอกสติเป็นผู้จัดการว่าคุณศรัทธากับคุณปัญญาคุณต้องทํางานพอกันนะงานจึงจะสาเร็จผลนคะคุณวิริยะกับคุณสมาธินี่คุณต้องทํางานให้มันพอดีกันนะก็คอยปรับใครเรียกว่าใครเรียกว่าแถกจับคู่ว่าเออทำยังไงให้เข้าไปด้วยกันได้ถ้าหากว่ารวมกันถ้าทุกคนมาทํางานร่วมกันเมื่อไหร่นะ ตัดสินได้เลยออกจากวัตตะอย่างเดียวนะเนีน่ยแล้วก็อินสติเขาจะรวบรวมเหมืนะรู้เลยว่าถ้าขาดพอศรัท ธ, ธาแล้วเสียหายอย่างไรถ้าขาดวิริยะแล้วไม่ดียังไงถ้าสมาธิไม่ดีแล้วเป็นยังไงถ้าปัญญาไม่ดีแล้วเป็นยังไง ร, รวบรวมคุณธรรมเหล่านี้ให้สมบูรณ์ได้อย่างไรทีนี้ทุกคนเป็นใหญ่หมดแต่ต้องอาศัยกําลังนะทุกคนนี่ใหญ่ก็จริงแต่บางคนไม่มีกําลังในชะ่ไหมบางคนนี่เป็นใหญ่จริงแต่ไม่มีกําลัง ไม่มีพละประั้นไม่มีอำนาจใหญ่จริงอ่ะประมาณนั้นแตเป็นใครว่าเป็นนายก็สักแต่ว่านายแต่ไม่มีอำนาจคุมใครสักคนเลยประมาณั้นอย่างเช่นอ่ะคนอาจจะมีสัตยินทรียีก็จริงแต่ต้องมีกำลังต้องมีกำลังจนไม่หวั่นไหวในอาศิทธิ์เนี่ยนะจนเครียว่ามั่นคงอ่ะนะใหญ่ใหญ่แบบมีอำนาจไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาวิสตินีก็ต้องเออพละวิริยะก็ต้องเป็นพละ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 อันน่ะระดมวิริยะพระสติพระปัญญาพระมาร่วมกันนะนะมาร่วมกันการทุกอย่างพระทุกอย่างอนุวัตตามกันโอนตามกันช่วยเหลือกเกื้อ ก, กูลกันและกันเนี่ยแต่ทีนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านั้นเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะสติสามโพชงก็คือสตินสีสติพระใช่ไหมธรรมวิจยะสามโพชงก็คือปัญญินรียกับปัญญาพระญญาาวิรยิยะสามโพชงก็คือวิริยินทรีย์กับ วิริสมาธิภละสมาธินีก็คือสมาธิภละกับอสมาธิสมาธินีกับสมาธิภละส่วนปีติปัสสัทธิ์ะนะปีติเคยจริงๆปีติก็เนื่องจากเป็นผู้มีศรัทธากลุ่มผู้มีศรัทธาเท่นั้นแหละจึงจะมีปีติส่วนปัสสัทธิกับอุเบกขาก็อยู่ในกลุ่มสมาธิเนี่ยนะ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 แล้วก็จะต้องมีกําลังไม่หวั่นไหวในค่าสึกตรงกันข้ามคืออสัตถยาโกสัจชะปะมาธาอุทธะและ อ, อวิชากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสติที่เรียกว่าตั้งมั่นสมาธิธรรมวิจัยเลือกเฟ้นวิริยะประคองปีติทราบซ่านปัสสัทธิสงบสมาธิไม่ฟุง้งซ่านอุเบกขาหาช่องทางเลยนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดน้อมไปเพื่อการตรารถุแล้วโอนตามกันทั้งหมดโอนตามกันทั้งหมด โอนจนเป็นอริยมรรคอ่ะ น, นะจะเรียกว่าเป็นทางที่นําออกจากกองทุกขอ่ะ น, นะเป็นทางที่นําออกจากทุ ก, กเรียกว่าองค์มรรคเพราะเห็นเห็นอะไรเห็นอริยรสัจสัมมาสังกัปปะก็ตรึกไปในอริยรสัจสัมมาวาจากําหนดเอาเนี่ยนะ <S <S ถ้าพูดนี่ถ้าไม่กําหนดนี่ยุ่งแล้วนะ <S <S คนพูดที่ไม่มีข้อกําหนดนี่มันยาก <S <S สัมมากรรมตาท่้นบอว่าสมุทฐานสามาชีวะผ่องแผ้ววายามะประกองไว้ สมาสติก็ตั้งมั่นสัมมาสมาธิก็ไม่ฟุ่งนซะ่านทั้งขณะองค์ชาหรือในขณะโลกุตระทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระนะกุโซลธรรมเหล่านี้เนี่ยเขาช่วยเหลือกัน น, นะเขาเกื้อกูลกันเนะขาสนับสนุนกันเนี่ยนะเขาสนับสนุนกันจริงๆแปลว่าทุกอย่างเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนอย่างร่างกายของคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะถามว่าร่างกายนี่มันทุกอย่างมันดีหมดเลยใช่ไหม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 พก็ความเศร้ามองด้วยคำว่กิเลสนี่แปลว่าความเศร้ า, ม อ, ม, วว า, า, ม, ามองความมนมองความขุนมัวนะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่ผ่องใสเพียงพออจึงเข้าใจว่าในเดี๋ยระดับต่อไปคือเรามันตะไบยักษ์คาถาแปลว่าสิ่งที่ควรดื่มเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีในหัวข้อในปฏิสัมพิธานะเล่มถัดไปข้างหน้าก็ามีมัมนตะไบยักคาถาว่ากาุศลธรรมเหล่านี้ควรดื่มพรหมจรรย์นี้ควรดื่มมากเพราะงั้นควรดื่มเพราดื่มแล้วระงับดับพิษได้ แต่ว่าแม้ถ้าเราบอกว่ายากมันก็คงจะยากตลอดไป ต, ต้องกายินในใจว่าเราต้องทําได้อ่ะนะโอ้สักวันหนึ่งนะแก้วนี้นี่ดีเมื่อไรนะ่เนาะสเ็นอะไรนะดื่มแก้วนี้บ้างนะดื่มสีแก้วแค่นั้นนะอ่ะโอ้โรคเศร้ามองหม่นมอ ง, มอ ง, มอ ง, มองขุน่นมัวระงับดับพิษนักเลย่อยอั้นเงีนะสักวันหนึ่งเธอบอกยากอคงยากต่อไปกราแลกกันหน่อยหนะึ่ บอกไม่มีเวลาก็คงไม่มีเวลาอีกนานยเหลือแต่เวลาตายเท่านั้นไงเวลาอื่นไม่มีโรคมกันมีเวลาเดียวส่วนคนที่จเจริญได้ตามนี้มันอาเสวนาภาวนานี่สำคัญมากนะเรียกว่าบริโภคตามความชํานาญคถ้ามีความชํานาญทำได้อย่างที่ว่าเนี่ยต้องมีความชํานาญเฉพาะตัว มีความชำนาญยังไงบ้างภิสูจในธรรมวิไนนี้ย่อมเสพเป็นอันมากซึ่งสมาธิที่ถึงความชำนาญตลอดเวลาเช้าเนี่ยนะทั้งโลกิยะโลกุตระท่านเข้าตลอดเวลาเช้าตลอดเวลาลเลาที่ยงเวลาเยน็นก่อนพักหรือหลังพักยามต้นยามหลังตลอดคืนตลอดวันตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันท่านเจริญได้ไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดอูอ่าฤดูฝนฤดูหนาวหรือฤดูร้อนเจริญได้ไม่ว่าจะตั้งตอนว้ ตั้งแต่อะไรนะคบแบบอายุร้อยปีก็คือช่วงสามสิบสามปีแรกสาสิบสามปีกลางสามสิบสามปีปลายมีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้ก็เรียกว่าเจริญได้ตลอดเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าอาเซวนาภาวนาเรียกว่าเสพเนี่ยนะหมายถึงว่าโอ้เวลาไหนก็ทําได้ชํชนานี้ํานาญอย่างสมมติสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์ที่บรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบนี่เห็นชาติว่าท่านทําได้อย่างนั้นหมดเลยะนะท่า น, นเข้าจะมีความสุขอย่างเดียวตลอด สามวันเจ็ดวันเท่าไหร่ก็ทําได้หมดนี น, นะมีความสุขโดยส่วนเดียวเพราะความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากความหม่นหมองใจเนี่ยนะความหม่นหมองทางจิตใจเนี่ยมันเป็นความทุกข์กทุกถึงขนาดเรียกว่าเราทั้งหลายนั่งสบายๆ ย, ย, ยิ้มเจ็ดวันไม่ได้เพราะมันเร่าร้อนมันมันพร่านไปหมดสมมติใครที่มีความเจ็บปวดอักเสบทางร่างกายเนี่ยนะไม่ให้ดิ้นรนกรวนกวายนี่ถามว่าทาได้ไหมมันอักเสบไปทุกแห่งไปหมดอ่ะนะ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 แต่ยากยากที่ใครจะทําได้ถ้าไม่มีคุณธรรมแต่ถ้าผู้ที่มีคุณธรรมก็ทําได้เนี่ยนะที่พระองค์ท่าบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสุกย่างเดียวตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ไหมบอกโอ้ปราสาทก็อยู่อับลมนะนะสมัยก่อนให้ความสําคัญเกยวกับเรื่องลมล ม, ลมพัดมาสี่ทิศหน้าหนาวเนี่ยนะถ้าอยู่ปราสาทอยู่บ้านที่อับลมด้วยมีหมอนแดงมีคนคอยอุปถากรับใช้ เขาบอกว่าพระเจ้าพิมพ์พิสานสบายมีความสุขส่วนเดียวเจ็ดวันนี้ทําได้ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วท่านเ่อนายหกวันหกคืนเนี่ยอุ้ยไม่ไหวแล้มั้งไงนะเจ็ดเออห้าวันห้าคืนไม่ได้นี่แหะสี่วันสี่คืนโอ้ยากสองวันอ่าสามวันสามคืนคงทําไม่ได้หรอกเอาสุขอย่างเดียวเนี่ยท่านเป็นใหญ่ทั่วแคว้นมคธแคว้นอังคาใหญ่ขนาดนั้นให้สุขอย่างเดียวเลยสองวันสองคืนบอกไม่ได้ตลอดวันตลอดคืนไม่ได้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 อย่างต้นเนี่ยนะเราศึกษาในส่วนตรงนี้ก็เพื่อเพื่ออะไรก่อนก็เพื่อให้ศรัทธาตั้งมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นดีจริงเพราะนําออกจากทุกท่านก็บอกว่าขอนอมน้อมแด่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้ก็ขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่เป็นคําสอนเป็นคําสอนเหล่านี้ที่ผู้ใดปฏิบัติตามได้ก็นําผู้นั้นออกจาก ทุกโดยส่วนเดียวขอนอบน้อมในหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีภาษาริบุตรเป็นต้นที่ตรัสรู้ ร, รมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วก็ด้วยบุญกุศลที่ได้นอบน้อมบูชาศึกษาเล่าเรียนนี้ก็ขอจงเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้ ร, รมเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบุญเหล่านี้เนี่ยที่สําคัญเราต้องพยายามตั้งอัตตสัมมาปณิทิขูดร่องทางใจของเราให้ไลหลไปตาม กูโซรธรรมเหล่านี้นะไม่งั้นนะถ้าใครไม่ขูดร่องทางใจเอาไว้นะอู้อยากบอกปกิสัมพิธรรมมักเขามีคนที่เขียนอารัมพบทนำหน้าหนังสือพระไตรปิฎกฉบับหนึ่งเขาบอกว่าสรุปแล้วมันยากครับงั้นโอ้ยนึกว่าพูดให้คนไปเรียนเขาบอกเขาแ ต, แ ต, แ ต, แต่พูดตอนแรกบอกชมดียังงั้นดียางงี้แต่ตอนจบบอ ก, บอกยาก จบมาเลยรู้พูดทําไ ม, ไมาก็มาเลวยโลกออกไปเพื่อคําประเภทยอย่างนั้นนั้นไม่ได้ส่งเสริมศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรเลยเนี่ยนะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกคาเหล่านั้นเรียกว่าขัดแย้งต่อคําสอนไม่ดีพันเราก็ต้องให้น้อมไปศรัทธาสิเพรามายังเห็นคุณเลยนะเาะมาคิดถึงเมื่อสิบสองปีที่แล้วสิบแปดสิบสองปีที่แล้วโอ้เราอยากอ่านปฏิสัมพิทาอยากเข้าใจสติสัมพิทาอยากอะไรก็แค่สิบกว่าปีเองนะเราก็มานั่งบรรยายปฏิสัมพิทา ะถ้าอีกสิสองปีข้างหน้าเนี่ยครูาอาจารย์ถ้าปฏิบัติตามได้กระแจวเลยนะมันก็ต้องขูร่องใจให้เป็นไปตามนั้นก่อนให้มีศรัทธาให้มีใจก่อนในที่สุดมันก็เจริญได้ชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าแล้วจะรีบไปไหนว่าตามก็อยู่อย่างนี้เลยถ้าไม่บรรลุไตไหนไม่ได้หร อ, อกมันรีบมากบอกโอ้เขาเร่งมากเขารีบมากจะไปไหนไปทําไม ไม่รู้เหมือนกันก็จะไปเจริญแล้วคุณจะเจริญว่าอย่างไงเจริญให้มันเป็นอะไรแล้วเจริญแล้วคุณจะรู้อะไรไม่รู้แต่รู้ว่าอยากเจริญถ้าอย่างนี้ก็คงไม่ใช่มรรคแปดละมัง้งเพราะมรรคแปดมันขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นด้วยกับความเข้าใจที่ถูกต้องนะถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เข้าใจที่ถูกต้องขยันเท่าไหร่ก็ไม่มี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 ในอย่างน้อยที่สุดในคนที่มีทรัพย์คือสุตะก็จะทําให้มีทรัพย์คือศรัทธาทําให้มีทรัพย์คือศีลมีทรัพย์คือฮิริโอตตะทรัพย์คือสุตะอันนี้จะเพิ่มพูนทรัพย์คือปัญญาอริยทรัพย์เหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะนําให้ออกจากทุกเหมือนคนในโลกมีพ่อทรัพย์จึงจะพ้นจากทุกในโลกเนี่ยพ้นจางนี้ศีลเป็นต้นคนที่มีอริยทรัพย์ก็พ้นจากนี่คือกิเลสบาปอกุศลฉันนั้นเนี่ยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ ทุกคนสมบูรณ์เพิ่มพูน ด, ด้วยอริยทรัพย์ทุกคนตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันปฏิสัมพิธามะนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน